แต่ทีนี้ท่านก็เริ่มมาคิดว่าอะไรเนออ่านะท่านก็เริ่มมาคิดว่าแยกอแยกไอ้สิ่งที่เป็นสังขารเป็นธาตุบ้างเป็นขันบ้างเป็นอายตนะบ้างเป็นอินทรีย์บ้างเป็นต้นเนี่ยจะมาแยกเป็นธาตุอะไรเนอเป็นอัสาธาของธาตุสี่อะไรเนอเป็นอาทีนวะของธาตุสีอะไรเนอเป็นนิสรณะของธาตุสี่ท่านเริ่มมาคิดเป็นแหะมาคิดเองอนะนะเริ่มค่อยๆคิดทีละอย่างทีละอย่างซึ่ง สําหรับพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องใช้ปัญญาเป็นอย่างมากจึงจะทําได้นะถ้าของเราคิดตามท่านนะเรายังคิดได้ก็ไม่กี่นาทีหรอกเป็นนาทีเลยนะโอ้เก่งนะถ้าคิดได้เป็นนาทีเนี่ยอาสาทาอาทีนวานิสรณะเอ๊ะอะไรต่อไปนะฟังเทพดีกว่าอ่านหนังสือดีกว่าเงี้ยนะก็อาแล้วเน่ยนะก็อินรียเราอ่อนขนาดนั้นขนาดเราฟังมาก็ยังยังจะคิดตามท่านยากอ่ะนะคิดดูว่าของท่านเนี่ยไม่มีคนสอนแล้วคิดได้เองเลยนะโอ้ผมคิดมันเป็นไปได้อย่างไรเนี่ย อันนี้เรียกว่าความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันถ้าเราปัญญา น, น, น้อยเนี่ยแทบไม่ใช่ฐานะเลยที่ที่จะจะคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามได้เนี่ยนะอย่างสมมติว่าง่ายเห็นผู้การเนี่ยคืออุปาทานขันท่าถ้าไม่ใช่สิ่งนี้ละ่ะคืออะไรเนี่ยนะก็เริ่มคิดแบบนี้ขึ้นนะแต่ขณะเดียวกันนั้นจะต้องรู้เรื่องของชีวิต เรียกว่าถ้ามนสิการผู้การปับแยกเป็นขันห้าขันห้าเป็นอดีตเป็นอนาคตภายในภายนอกหยาบละเอียดเป็นไปอย่างตลอดสายเป็นยังไงตรงกันข้ามกับสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เป็นสังกตะถ้าอาสังกตะเป็นยังไงเนี่ยนะถ้าไม่มีอาสังกตะนะออกจากสังกตะไม่ได้ท่านจะต้องชำแรกที่เรียกว่าที่ท่านใช้คำว่าชำแรกเนี่ยมันตรงคําดีชำแรกออกจากสังกตะธาตุาทุกชนิดเนี่ยนะมันเหมือนกับว่า ก็อุปมาอีกอันหนึ่งก็ชัดดีว่าลูกไก่ที่อยู่ในกระเปาะฟองไข่เนี่ยชั่มแรกใช้จะงอยปากเนี่ยเจาะออกมานะ่ซึ่งจะต้องเจาะไอ้ทุกสังขารทุกชนิดออกจากสังคตะไปเพื่อสู่อาสังคตะเนี่ยนะังั้นคนที่จะพิ่จะนาอย่างนี้ต้องรอบรู้ความเป็นไปของขันห้าเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้ถามว่าทํำยังไงก็กลับไปคิดเรื่องขันห้าใหม่ ไปค้นหาอัสาถ า, าอาทีนวะของขันห้าต่อไปเนี่ยนะจนกว่าจะหาทางปลดเปลื้องได้เนี่ยนะก็อยู่อย่างนี้แหละในการอบรมสมถาวิปัสสนาคืออะไรก็คือการเจริญขันห้าแล้วขออภยัยการพิจารณาขันห้าการเจริญปัญญาเพื่อจะรอบรู้ขันห้าเพื่อต้องการปล่อยขันห้าไอ้คาว่าปล่อยขันห้าเนี่ยไม่มีฉันทราคะในขันห้า แต่จะเรียกว่าพ้นขันห้าจริงๆต้องเมื่อไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์ก่อนไหมถ้ายังมีขันห้าเป็นอารมณ์อยู่ชื่อว่าปล่อยไม่ได้เนี่ยนะก็เหมือนกับบอกว่าเกาะอะไรนะโหนต้นไม้อยู่กระร่วกระเริ่มก็บอกว่าฉันปล่อยแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันจะปล่อยแล้วเนี่ยนะพูดยังไงมันก็ยังเกาะขันห้าอยู่ดีวิปัสสนาทั้งหลายก็เหมือนกันถึงจะบอกเบื่อขันห้าเสียเอียนขันห้ายังไงก็ตามก็ยังห้อยอยู่ในขันห้าน่ยนะวิปัสสนานะ ถึงที่จรณาโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถือว่ายังห้อยอยู่กับขันท่านั่นแหละต่อเมื่อปล่อยได้เมื่อไหร่แต่ปกตินะสัตว์ไม่ค่อยอยากปล่อยแล้วกลัวตกตาย <c oughs> เหนียวขนาดนั้นนะต้องบอกไอ้ที่คุณจับมันร้อนมันร้อ น, นร้อนมันร้อนนะะจึงจะปล่อยได้จริงๆเจริงนะนั้นก็บอกว่าอาริยสะสาวกไม่ได้ฟังอย่างนี้ย่อมเบื่อนายเนี่ยนะก็จนกว่าจะจับอะไรก็เบื่อไปหมดอ่ะนะเดี๋ยวข้างหน้าชอบคำอย่างบอกขนไก่ที่แย่ก็ไปตรงไหนไมันก็ไฟทุกชนิดเลยนะ ซึ่งผู้ที่ไม่มีปัญญาอย่างกว้างขวางจริงๆเนี่ยไม่ใช่จะทำได้ง่ายท่านถามว่าจากการศึกษาข้อมูลแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะเราจะไปนั่งกำหนดจดจ้องอันใดอันหนึ่งขาวมาพอไหมที่จะเบื่อหน่ายขันห้าแบบนี้เป็นไปได้ไหมเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมว่ากำหนดนั่นรูปนี่นามพอไม่ที่จะเบื่อหน่ายแบบนี้หรือพอไม่ที่จะเห็นความเป็นไปใน ในวตตะเนี่ยนะท่านทำการแสดงพระธรรมบางอย่างเนี่ยมันอย่างการใช้คําว่าเป็นรูปเป็นนามมันเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นที่จะขยายให้เห็นความเป็นไปแห่งแห่งวัตตะเนี่ยนะว่าวัตตะมันคืออะไรมันเป็นไปยังไงมันมีดียังไงมันเสียหายยังไงมันนํามาสร้ความเดือดร้อนอยังไงเพื่อจะปลดปล่อยสัจจิตออกจากขันท่าเนี่ยนะเมื่อมีสังคตะเอ่อมีอาสังคตะทำเป็นอารมณ์ ทั้งในระหว่างนี้ถ้าปล่อยไม่ได้ละ่ะถ้าปล่อยไม่ได้นะต้องเจริญสองอย่างแหละสังคตะเลวมากสังคตะดีสรุปว่าโดยประการใดๆก็ตามต้องมีอัธยาศัยแค่สองเนี่ยสังคตะเลวมากอะสังคตะดีจริงๆโอ้โหนี่นะมันวุ่นวายจริงๆเลยนะถ้าจะอยู่เงียบๆมีความสุขมากคือต้องมีอัธยาศัยแบบนี้ก่อนอนะนะถ้าอันนี้นี่เปรียบเทียบเป็นรู ป, ปธรรมนะมองเห็นว่าโอ้โ เข้าสู่สังคมเมื่อไหร่มันวุ่นวายเหลือเกินนะครัไปอยู่เงียบๆก็สบายใจดีนี่นะถ้าออกจากสังคมได้มันคงมีความสุขมากนะถ้าเปรียบเทียบนะว่าสังคมสิ่งแวดล้อมเหมือนกับสังขตรธาตาาุเนี่ยนะอ่ะสังขตรธาตุนี่มันดีจริงๆต้องมีอทายาสายสองตัวอ น, นี้ให้ดีเพราะนการเจริญปัญญาอันนี้ที่จะเข้าจึงเรียกว่าเจริญวิมังสาวิมังสิทธิบาทเนี่ยนะวิมังสิทธิบาทเจริญ ปัญญ์สีจเจริญปัญญาพร ะ, จะเจริญธรรมะวิจยะสัมโพธเจริญสัมมาพิธิเนี่ยนะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละแต่การจเจริญอย่างนี้นะโดยเฉพาะลำพังปัญญาอย่างเดียวบรรลุได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะฌานก็ยังมีองค์ของฌานเลยใช่ไหมทุกอย่างมีองค์ของเขาหมดฉนั้นปัญญาอย่างเดียวบรรลุไม่ได้พรพูดถึงตรงนี้นะนึกถึงท่านพระมหาโมคลานะ ท่านก็ท่านเป็นผู้ชำนาญในเรื่องฌานจริงๆท่านเข้าฌานท่านรู้เออนี่ฌานในส่วนแห่งความเสื่อมนี้ส่วนแห่งความดำรงอยู่นี้ส่วนแห่งความวิเศษยิ่งขึ้นไปนี้ในส่วนแห่งการชำรกกิเลสพอท่านพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอู้พี่จารณาอะไรทะลุโปรงไปหมดยิ้มแย้มเรานี่ยปัญญาแข็งมากปัญญาเราดีมากเนี่ยนะก็ข้างก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งก็มีขวานหนึ่งคมน่ะนะฟันต้นไม้ต้นไหนก็ฟันขาด แล้วก็มานั่งรูปข่มขวานเล่นอือขวานของเรานี่คมจริงๆ น, น, น, นนะ ะ, งะนะพราะโมละนะก็ลักษณะเดียวกันนะะตอนที่ท่านยังไม่บรรลุนะองค์ก็มาสอนว่าอย่าไปติดแบบนะนั้นเนี่ยนะเธอสมัยรุ่นรุ่นสมัยพุทธกาลจริงๆเลยนะพระพุทธเจ้าคุมเขาทุกความคิดถ้าถ้าเป็นสมัยพุทธเธออยากคิดอย่างนี้นะเธอจงคิดอย่างนี้เธอจงละสิ่งนี้เธอจงเข้าถึงสิ่งนี้ถ้าคิดแว บ, บออกมาอันนี้คิดไม่ดีนะเนี น, นะ ในบางกรณีเนะียบางทีก็แสดงรอยเท้าไว้ให้เห็นแสดงรอยพุทธบาทไว้หเห็นว่าพระ อ, องค์มามารู้แล้วนะไอที่ที่เมื่อกี้นี่พี่คิดอะไรไปเนี่ยพระ อ, องค์รู้หมดแล้วนะเนี่ยนะสมัยก่อนนี่เขาระวังความคิดเป็นอย่างมากเลยนะเพราะคิดไม่เข้าร่องเข้ารอยปั๊บพระ อ, องค์รู้อ่ะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะไม่ใช่รู้แค่นั้นนะท่าเจโตปริยาณของของพระอริยาสาวกสมัยก่อนเนี่ยพอเห็นจิตปั๊บเนะี่ยคิดรู้เลยว่าก่อนหน้านี้เจ็ดวั น, นคิดอะไรมา จากนี้ไปอีกเจ็ดวันจะคิดอะไรเนี่ยนะท่านท่านอย่างถึงได้ขนาดนั้นท่านท่านท่านการนียแนวการสั่งสอนของท่านจึงเป็นไปเพื่อเพื่อชำแรกออกจากวัฏฏทุกข์ได้อย่างแท้จริงทีนี้คนที่ที่เข้าไปสู่ระบบเหล่านั้นนะถ้าไม่ดีจริงก็หลุดเนี่ย น, นะก็ก็หลุดโลกไปเยอะเหมือนกันนะหลุดไปถึงอาบายเลยก็มีในใ น, น, นสมัยพุทธกาลนะนะอย่างพระเทวท่านนี้ก็หลุดไปเลยนะ ฉันย้อนในครั้งหนึ่งว่าการเจริญเนี่ยนะจะต้องเป็นผู้ที่รอบรู้พิภัยรู้โทษภัยของอุปาทานขันขันท่าเป็นอย่างดีก็เรกว่าถ้าตรงอรงอ น, นะรหัสย่อๆที่คุ้นเคยแบบเนติปกรณ์ก็คือรู้อัศทะกับอาทีนวะเป็นอย่างดีจึงต้องการนิสรณะที่เรียกว่าไม่ยึดถือเนี่ยนะฉั้นตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นการพูดแบบอะไรอ่ะก็จะเรียกว่ากลุ่มบรรยายสรุปก็ไม่ผิดอะไร ถ้าถามว่าต้องการละเอียดเลยอย่างนี้ถ้าถ้าต้องการละเอียดนะ่จะบอกแนะแนวให้ว่าจิตเกิดขึ้นหนึ่งดวงประกอบไปด้วยเจตสิกไล่ไปเถอะอสสเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอาปีติสุขเอกขตาเนี่ยนะสัตทินสีวิริยินสีสตินสีนะมาไล่เลยจิตทุกดวงประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยนะนี่แบ่งเป็นขันนี้เป็นอายตนะนี้เป็นอินสีอย่างนี้ก็แจกไปให้ละเอียด แล้วก็มาแจกเออนี้ทั้งหมดเป็นวิญญาณขันนะเจตสิกที่ประกอบเป็นอะไรเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนะเวทนาขันเวทนาหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสาหมวดสี่ก็ไล่ไปอยังไงนะขยายไปละเอียดเป็นขันเป็นอายตนะเป็นอินทรีย์เป็นสัจจะเป็นปฏิจจะเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เป็นอารมณ์แห่งเวทนานุปัสนาเป็นอารมณ์แห่งจิตตานุปัสนาเป็นอารมณ์แห่งธรรมานุปัสนา แล้วจะอบรมเป็นสัมมประธานอธิบาทอินทรีย์พละโทษชงยังไงต่อไปเนี่ยนะอันนี้พื้นฐานเนี่ยเกิดร่วมกับศีลนี้เกิดร่วมกับสมถทานี่เกิดร่วมกับวิปัสสนานี่เกิดร่วมกับยานยานถ้าแบ่งประเภทเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองถ้าไม่เป็นไปตามนั้นจะเป็นไปตามกิเลสเนี่ยนะก็ก็เป็นคุตถกะวัตถุวิพังเนี่ยนะก็เป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะจนถึงแม้กระทั่งเรียนเป็นยมกะเป็นมหาประธาน ขันหนึ่งเป็นปัจจัยแก่ขันสาขันส า, นสาเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งเนี่ยนะก็ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองเหมือนต้นน่นนะก็ถ้าจะละเอียดเลยนะยิบขนาดนั้นต้องเรียนระดับคัมภีร์อภิธรรมโดยเฉพาะอภิธรรมปีกซึ่งแต่ต้องหัวข้อต้องแม่นหน่อยนะแล้วก็เริ่มคนคิดใคร่ควรวญไปตามนั้นนะ่ะนะจะเห็นความละเอียดที่ที่ลึกซึ้งกว้างขวางแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยเนี่ยตัวที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะ ต้องต้องเข้าใจระบบปจัจจัยการพิจารนาอย่างละเอียดรอบคอบอย่างนั้นจึงจะเป็นไปได้การแสดงพระธรรมที่ละเอียดเนี่ยเหมาะกับพวกที่มีปัญญาน้อยเนี่ยนะก็เหมาะกับพวกมีปัญญาน้อยแต่ผู้มีปัญญาน้อยจะขาดอยู่อย่างหนึ่งคือขาดความอดทนเนี่ยนะคือคือคือขาดความอดทนที่จะเรียนที่จะศึกษามันก็บอกว่ามากไปมั่งอะไรมั่งอะไรเนี่ยนะมันก็เนี่ยแหละตรงนี้เนี่ยเราลักษณะว่า เรียนคําสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกําหนดทิศทางว่าเอาไว้คร่าวๆถามว่าเหมือนคนจะไปต่างประเทศเนี่ยนะการพูดถึงต่างประเทศเอาต่างประเทศมาพูดคุยก่อนว่ามีอะไรที่นั้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะสมควรหรือไม่เนี่ยนะหรือว่าต้องไปถึงก่อนแล้วค่อยมาคุยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือเรียนไว้ก่อนดีเนี่ยนะก็ต้องคิดอย่างนั้นตรงนี้ลักษณะดเดียวกันหมายว่าเราเรียนเราศึกษาให้รู้ว่าพระริยะท่านคิดอะไร พระพุทธเจ้าท่านคิดอะไรแล้วท่านสอนอะไรพระสงท่านปฏิบัติไปตามไหนคืออย่างที่ว่านะีมันก็เป็นนิมมานหมายเราศรัท ธ, ธาแบบนี้ไหมเพื่อที่จะวัดสัจธทธินรียของเราด้วยเหมือนกันในตัวเนี่ยนะว่าเรามีศรัท ธ, ธาที่จะออกจากวัตจัตามตามนี้ไหมเนี่ยนเะพระาะฉะนั้นท่านจึงมีการแสดงทั้งโดยหัวข้อเขาเรียกว่าอุเทศซึ่งเหมาะกับอุคติตันยูแล้วก็ยังขยายไปเป็นนิเทศวิปัญจิตันยูแล้วก็ปฏินิเทศสําหรับนิยะ แต่ถ้าพวกปฐาปรมาก็เรียนทั้งอุเทศนิเทศปฏินิเทศเรียนไว้หมดนะนะชาติหน้าก็บรรลุเร็วกว่าเพื่อนนะ่ะใช่ไหมเพราะเราสะสมไว้แล้วน่ะก็ของเราเนี่ยถ้าใครที่เรียนปฏิสัมพิธามมักไม่เคยขาดแล้วเขาเปิดปฏิสัมพิธามมักรอบใหม่นะกจะต้องเข้าใจกว่า น, น, นั้นนะ่ะเดี๋ยวท่านสอนละเอียดไปก็เรียนไม่ไหวอีกจริงๆแล้วคงต้องอดทนนะครับอย่างที่ท่านว่า เพราะว่าเพิ่งจะมาเริ่มเรียนนะครับแล้วก็ข้อมูลจะอภิธรรมจริงๆแล้วเก้าปริเฉตนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องต้อ ง, อ, งอดทนต้องฟังนะครับแล้วก็อส่วนพยัญชนะนี่ก็สำคัญเวลาอยู่นอกเวลาก็สนทนากับเพื่อนฝูงนะครับว่าพยัญชนะศัพท์ต่างๆเหล่านี้ก็หมายถึงอะไรจะเรียนถามพระคุณเจ้านะครับสําหรับวิปัสสนาญาณสาม ที่แสดงว่าเป็นออัฏฐะอันเดียวกันแต่ว่าต่างโดยพยัญชนะนี้ค่ะรู้สึกจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือพยัญาณนิพิทฐาญาณอาทีนวายานก็เป็นพยัญชนะที่ต่างกันแต่ว่าอัฏฐะเดียวกันเหมือนกันคันนี้จะมีเหตุผลอะไรนี่ค่ะว่าทําไมถึงจะต้องมาจัดเป็นวิปัสสนาญาณสิบหกซึ่งความจริงก็ไม่ได้ถึงนี่ถ้าเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยอ่ถ้าเป็นสังเกตจากพุทธพจน์เลยนะ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 เพราะฉะนั้นแลเพราะที่รูปเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเพราะเหตุนั้นคือเหตุที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างนี้แหละที่สูงทั้งหลายขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่ทเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงวันนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรา อริยสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้รู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย, นนนนย่อมเบื่อหน่ายนี่ยนะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นอริยสาวกเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้อันนี้คือสัมมาสาาัญาารู้เห็นอย่างนี้สัมมาสัญาาอุทยพยาญเป็นต้นเนี่ยนะย่อมเบื่อหน่าย น, นี่พิธาเมื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัด essel. อ ร, ริยมรรคเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นอริยผลเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าชัดว่าชาติสิ้นแล้ว ปัจเวกขณะยานดังนั้นถ้าเป็นพุทธพจน์ในแสดงที่แสดงกับกลุ่มพวกอุคติตันยูเนี่ยก็ไม่ได้ใช้คําฝืออะไรเห็นไหมใช้คําย่อที่สุดเท่าที่จะย่อได้แต่กลุ่มที่ปัญญาน้อยทั้งหลายเนี่ยนะผัสสะการกระทบกิริยาที่กระทบความกระทบอย่างเงี้ยนะโอ๊ยพูดกระทบอยู่นั่นแหละนะกระทบอยู่ตั้งนานกว่าจะเลิกกระทบอย่างเงี้ยนะความเสวยกิริยาที่เสวยความเป็นผู้เสวยอย่างเงี้ยนะ อย่างถ้าเป็นปัญญาคนมีปัญญามากก็บอกพ่อชงองค์แห่งเออนะพ่ชงก็พอละอนะแต่ถ้าเป็นพวกมีปัญญาน้อยกว่าพ่ชงองค์เป็นเครื่องตรัสรู้ตรัสรู้ตามตรัสรู้เฉพาะตรัสรู้พิเศษอะไรเนี่ยแก็ใช้สับยูให้ตรัสรู้อยู่นั่นแหละไม่ยอมไปไหนอะนะันน่ะเพราะว่าทําไมเพราะกลุ่มนี้มันอินทรีย์อ่อนมากอะ จะต้องย้ําแล้วย้ําอีกอนะจนอ่านแล้วก็จนพธธระไตรปิฎกเขาพิมพ์แล้วเปยเอาไว้จุดจุดจุดจุ ด, จ ด, จดจุดจุดเพราะมันซ้ซําๆกันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆทีนี้ยเราก็เห็นว่าซ้ํำไปมั้งเห็นไหมยย่อหน่อยนะก็ไปอีกละเจ อ, อถ้าถ้าเราต้องการอ่านให้ติดมันมันทุกคําแล้วก็ย้ําอยู่แล้วย้ําอีกย้ําแล้วย้ําอีกเนี่ยต้องอ่านพวกจุลนิเทศมหานิเทศแล้วก็ปฏิสัมที่ถามามั้ จริงๆปฏิสามิธา ม, มักเนะยภาษารีบุตรท่านแสดงแบบซ้ำๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆก็ใช่แต่วิธีนี้กันๆีๆๆๆๆๆๆๆๆเข้ารู้กันมากๆๆๆๆนะๆๆๆๆๆรๆๆๆาก็รู้กั น, นอนๆอน <laughs> ะนๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆๆๆัๆว่าขยับตาแล้วทําอย่างๆี้ๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเนี่นนย ก็เลยยุ่งมาก